บทที่18กระจกวิเศษหลวงพ่อครับในใจเขาบอกว่าหลวงพ่อมีกระจกวิเศษเป็นคำถามแรกที่พระบัวเหียวถามท่านพระครูงั้นหรือแล้วเขาเล่าอะไรให้เธอฟังอีกเขาเล่าว่ากระจกวิเศษสามารถดูเนื้อคู่ได้ ที่เขาได้เป็นคู่มั่นกับโยมจุกก็เพราะกระจกวิเศษหลวงพ่ อ, อเขาว่าอย่างนั้นหรือพูดถึงในจ่อยทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะแต่งงานวันที่เก้าธันวาที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันแล้วสินะเขาในมณพระวัดเราเก้ารูปเลยไม่มีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเราเห็นจะต้องออกกันตั้งแต่ตีสี่ ฉันจะให้เธอกับมหาบุญไปด้วยคงเต็มรถพอดีท่านนึกขอบใจครูสริทธิ์ที่ซื้อรถตู้มาถวายครับแต่ผมอยากรู้เรื่องกระจกวิเศษครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่าและถ้าผมจะขอเออขอเนื้อคู่หลวงพ่อจะขัดข้องไหมครับพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุด โธ่เอ้ยบัวเหี้ยวรู้สึกว่าเธออยากจะมีคู่เสียจริงนะจำไม่ได้หรือที่ฉันเคยบอกว่าดวงเธอน่ะไม่มีเนื้อคู่จำได้ครับงั้นก็แปลว่าเธอไม่เชื่อเชื่อครับแต่ผมอยากให้กระจกตรวจสอบอีกทีก็หลวงพ่อบอกผมไว้หลายเดือนแล้วตอนนั้นเนื้อคู่ผมอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้คงจะเกิดแล้ว ท่านพระครูอยากจะว่าแรงๆแต่เมื่อนึกได้ว่าอีกฝ่ายยังหนุ่มยังแน่นก็ต้องคิดถึงเรื่องอย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาของคนน่มคิดได้ดังนี้จึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะเมื่อเธออยากรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังแล้วท่านก็เริ่มต้นเล่า ว, ว่าฉันได้วิชานี้มาจากหลวงพ่อสุขวันบขามเท่า ตั้งแต่ชั้นบวชใหม่ๆผู้ที่จะเรียนวิชานี้ได้จะต้องได้กระสินฉั้นก็ฝึกอาโปกระสินอยู่หลายเดือนจึงได้ไปเรียนกับท่านเป็นวิชาสายศาสตร์กระจกหมอดูเนี่ยดูแม่นอยู่สองเรื่องคือเรื่องของหายกับดูเนื้อคู่เชื่อไหมถ้าฉันศึกไปหากินใต้ต้นมะขามสนามหลวงรับรองว่ารวยไม่รู้เรื่อง เพราะคนเขชอบดูเนื้อคู่กันโดยเฉพาะพวกอาจารย์สาวๆเนี่ยชอบดูกันนะักแล้วทำไมหลวงพ่อไม่สึกล่ะครับเป็นผมสึกไปตั้งนานแล้วพระบวเหี่ยวขัดขึ้นกอถทึงว่าสิแต่ทำไมฉันไม่สึกก็ไม่รู้ท่านแกล่งเออออรวบรัดตัดใจความก็คือฉันได้วิชาหมอดูมาจากหลวงพ่อสุก ทีนี้พอคนดูพากันมาให้ดูกันใหญ่วิธีดูก็คือต้องเศษคาถาก่อนแล้วก็เป่าไปที่กระจกเป็นกระจแปดเหลี่ยมนะไม่ใช่กระจกธรรมดาเช่นสมมติว่าเขาจะมาดูเนื้อคู่พอเสษคาถาลงไปคนที่มาก็จะเป็นเนื้อคู่ก็จะไปปรากฏที่กระจกทีนี้เวลาจะลบก็ต้องใช้น้ำมนลบ ถึงจะออกถ้าไม่ใช้น้ำมนก็จะติดอยู่อย่างนั้นถึงเจ็ดวันจึงจะลบไปเองตอนนั้นในจอจเขาเป็นเนรอายุเพิ่งจะสิบป้าแต่ก็มารบเร้าให้ดูเนื้อคู่แม้พอภาพอิจุกติดในกระจกโกรธฉันยกใหญ่หาว่าฉันแกล้งเสร็จแล้วเป็นยังไงหนีพ้นอิจุกเสื่อมอไไรท่านนึกภาพ อีจุกเด็กขี้มูกมากคนนั้นแล้วก็ยังอดขำไม่ได้เห็นว่าหลวงพ่อต้องเทข้าวทิ้งน้ําเพราะว่าโยมจุกเป็นเหตุจริงรอเปล่าครับแล้วไม่กลัวผิดวินัยหรือครับกลัวสิทำไมจะไม่กลัวแต่มันคลื่นไส่ก็เลยบอกเล น, นจอยว่าเราเลี้ยงปลากันเถอะแม้อีจุกนะอีจุกเล่นเอาฉันเอาข้าวทิ้งน้าทุกวัน ตอนบวชใหม่ๆฉันก็ไม่ได้เป็นพระดิบพระดีเท่าไรหรอกท่านสมผานสารภาพและทำไมเดี๋ยวนี้ถึงดีได้ล่ะครับคนฟังย้อนถามก็ตั้งแต่ได้เรียนกรรมฐานจากพระในป่าฉเฉลยกลับเนื้อกลับตัวได้ รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาเองเพราะการปฏิบัตินับว่าเป็นบุญของฉันไม่เช่นนั้นป่านนี้ก็จะกลายเป็นมารศาสนาไปแล้วก็ได้ท่านพระครูหัวเราะือๆก่อนที่จะเล่าต่อไปว่าอยู่มาวันหนึ่งสมภา์จุนวัดบ้านเหนือก็มาขอให้ดูให้ดูของหายหระครับไม่ใช่ดูเนื้อคู่ท่านลงเสียงหนัก ตรงดูเนื้อคู่เนื้อคู่ใครครับก็เนื้อคู่ท่านนะซิอายุท่านเท่าไหร่ครับแค่62อายุ62มาให้ดูเนื้อคู่สมพานนะสมพานและหลวงพ่อดูให้ไหมครับฉันก็ว่าจะไม่ดูเพราะเห็นท่านแก่จนจะเข้าเมนอยู่แล้วยังอยากจะมีเนื้อคู่ พุดโถพูดทั้งอนิจจังอนิจาแล้วเห็นไหมครับมีใครมาปรากฏในกระจกไหมไม่มีเพราะเนื้อคู่ท่านยังไม่เกิดฉันก็บอกท่านว่าท่านสมภารเนื้อคู่ท่านยังไม่เกิดยังอยู่ในเมืองนรกท่านโกรธใหญ่หาว่ากแกล้งที่จริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ไม่น่ามาโกรธกันเลยท่านพูดยิ้มยิ้ม และตอนนี้สมพันจุนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับยังอยู่เจิบกว่าแล้วไม่รู้ว่ายังคิดจะมีเนื้อคู่อยู่อีกหรือเปล่าเหมือนเธอไม่รู้ว่ายังคิดจะมีเนื้อคู่อยู่อีกหรือเปล่าก็เหมือนเธอนั่นแหละประโยคหลังท่านวกมาหาคนฟังไม่เหมือนหรอกครับผมเพิ่งจะยีสิหยังหนุ่มยังแน่น เทาหกผมก็คงเลิกคิดแล้วพระโวเฮียวแยง้งและจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อครับโปรดดูให้ผมสักครั้งเถอะครับรับรองว่าผมจะไม่กวนใจหลวงพ่ออีกเลยสายไปเสีแล้วโบวเฮียวเอ้ยอย่ามาอ้อนวอนให้ยากถึงฉันจะใจอ่อนก็ดูให้ไม่ได้เพราะฉันเลิกมาหลายปีแล้วทำไมเลิกล่ะครับ มันมีสาเหตุนะสิเอาละจะเล่าให้ฟังบอกตามตรงว่าไม่อยากจะเล่าสักเท่าไรเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะกลายเป็นอดีตไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอาเข้ามานินทาถ้ามันทำให้หลวงพ่อไม่สบายใจก็ไม่ต้องเล่าก็ได้ครับพระบวัวเหียวพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรเธอจะได้หายสงสยัย เรื่องมันเป็นอย่างนี้คือนายบุญช่วยเข้ามาขอให้ฉันดูของหายของอะไรเขาหายครับไม่ใช่ของเขาหรอกของคนขเมรที่มาขออาศัยบ้านเขาอยู่ตอนนั้นขเมนแตกผู้คนก็พากันหนีออกจากนอกประเทศก็หอบทองกันมาคนละหลายลายบาทคนที่มาอาศัยในบุญช่วยอยู่นั่นเขาก็เอาทองมาหนักสิบห้าบาท ทีนี้อยู่ๆทองเกิดหายไปในบุญช่วยก็พามาให้ชั้นช่วยดูพอฉั้นเสกคถาเป่าลงไปที่กระจกแปดเหลี่ยมที่เธอเรียกว่ากระจกวิเศษนั่นแหละแต่ฉั้นก็เรียกว่ากระจกหมอดูผลก็ปรากฏยังไงรู้ไหมไม่ทราบครับก็ปรากฏว่ารูปในบุญช่วยไปติดอยู่ที่กระจกฉั้นก็ยังให้เขาดู บอกว่าโยมุญช่วยกลับไปเถอะอาตมาไม่ดูให้หรอกเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าเปล่าเขาก็ยืนยันว่าอยากดูที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะไม่เชื่อว่ากระจกจะแม่นคิดว่าจะเหมือนรายของสมนธ์จุนที่มาดูเนื้อคู่แล้วไม่มีรูปปรากฏฉันก็ไม่ยอมดูให้ที่แท้ฉันรู้แล้วภาพในบุญช่วยก็ยังอยู่ในกระจก เขาก็ไปตามสมพานจุนมาให้ช่วยพูดฉันบอกว่าถ้าอยากจะดูกอตามใจเอาเลยกระจกให้ดูเธอเอ้ยเขาโกรธฉันเสยยกใหญ่ไม่โกรธอย่างเดียวนะโกลดาหยับๆยาคายๆายบันพ่อปรุษฉันเนี่ยข้างพ่อข้างแม่ถูกในบุญช่วยขุดขึ้นมาดาหมดแถมเปลี่ยนหน้าให้ฉันเสยอีกเปลี่ยนยังไงครับพระยุนสงสยัยก็เปลี่ยนจากหน้าคนเป็นอวัยวะเพศนะซิ ตานี่หยาบคายมากท่านยังจำถ้อยคำหยาบคายของฝ่ายนั้นได้และหลวงพ่อโกรธไหมครับโกรธหน้าเขี้ยวหน้าเลื้งเชละฉันก็เลยยกมือประนมสาบานต่อหน้าสมภารจุนว่านับแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ดูให้ใครอีก แล้วฉันก็เควียงกระจกหมอดูลงแม่น้ำเจอาพรยาไปทั้งๆที่มีรูปในบุญช่วยติดอยู่นี่แหละสาเหตุที่ให้ฉันเลิกดูท่านพระครูเล่าเควียงของท่านก็คือคว้างแล้วเดี๋ยวนี้ในบุญช่วยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับผมอยากจะไปเตะมันสักสองสามปาฐานมาดากครูบาอาจารย์ผม พระโบเหียวพูดอย่างโกรธแค้นแทนอาจารย์อย่าไปสนใจเขาเลยฉันเองก็มาดีผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรเขาแล้วมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพระโบเหียวต่อให้ก็จริงๆนี่นาะตอนหลังมีคนมาบอกว่าเขาไปติดคุกอยู่หลายปีด้วยเรื่องเนี้ยเรื่องที่ขโมยทองขมิ้นนี่แหละ ตอนที่หลวงพ่อกโกรธหลวงพ่อกําหนดโกรธหนอหรือเปล่าครับไม่ได้กําหนดเพราะตอนนั้นยังกําหนดไม่เป็นยังไม่เดี๋ยวเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อในป่าเลยโ ก, กรธเสียไม่มีดีถ้าเป็นคารวาะอยู่เห็นจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเห็นไหมเธอเห็นอานิสงส์ของการบวชหรือยังฉันถึงได้ไม่ยอมสึก เพราะงั้นคงตกนรกเพราะค่าคนตายในบุญช่วยนี่แย่มากนะครับเขาอุตส่าห์หนีร้อนมาพึ่งเย็นไม่น่าไปทำกับเขาอย่างนั้นใจดำอมิหิตจริงๆอย่าไปว่าเขาเลยเขาก่อชดใช้กรรมของเขาที่ก่อไว้แล้วกรรมมันให้ผลทันตาเห็นจริงๆแม้นบุญช่วยเนี่ยสำคัญมาเปลี่ยนหน้าให้ฉันได้พูดแล้วก็หัวเราะ เรื่องที่เคยเสะเทือนใจในอดีตปัจจุบันกลับกลายเป็นเรื่องหน้าขันใช่มากกว่าช่างไม่มีอะไรคงที่คงทนไม่มีตัวตนที่ยึดถือได้แม้แต่อย่างเดียวถ้าผมจะไปขอเรียนวิชากับหลวงพ่อสุขบ้างท่านจะสอนให้ผมไหมครับพระบุญเฮียวถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันและฉชันก็ไม่รู้จะไปถามท่านได้ที่ไหน เพราะท่านเข่าเมนไปสีหปีแล้วแม้จะไม่มีเชื้อสายยวนแต่ท่านก็พูดยวนได้แหมเสียดายจริงๆไม่งั้นผมคงจะมีโอกาสศึกไปนั่งใต้ต้นมะขามแน่เลยเรียนจากหลวงพ่อได้ไหมครับเธอจะเรียนไปทําไมมันไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ช่วยให้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ฉันตั้งใจแล้วว่าจะไม่สอนให้ใคร ถ้าจะเรียนก็เรียนวิชากรรมฐานฉันยินดีสอนให้เพราะเป็นวิชาที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เจ้าฉันเถอะอย่างวิชาทําเสน่ห์ก็เหมือนกันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยหลวงพ่อเรียนด้วยเหรอครับเรียนสิฉันเรียนวิชาไสยศาสตร์มาหลายวิชาแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วเหลือแต่วิชากรรมฐานวิชาเดียวส่วนสยศาสตร์ทิ้งหมด หลวงพ่อคิดยังไงถึงไปเรียนทำเสน่ห์ล่ะครับอ้าวอ้าวก็อยากให้ผู้หญิงเขารักนาสีถามได้แล้วเ้ารักไหมครับรักหรือไม่รักก่อนับปินโตไม่ไว้กันสาวๆแย่งกันมาส่งปินโตวันหนึ่งยี่สิบเท้าได้มั้งจนไม่รู้จะชั้นของใครแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีสักเทาเดียวล่ะครับก่อชั้นไม่ยอมสึกสักทีปินโตก็เลยค่อยๆหายไปทีละเทา้าสองเท้า เพราะคนสงเข้าไปแต่งงานกับคนอื่นในที่สุดก็ไม่เหลือสักเถวอย่างที่เธอว่านั่นแหละแม้คนแถวนี้ไม่ไหวคบไม่ได้แล้วท่านก็หัวเราะฮืๆไม่ทราบว่าคำอะไรยิ่งเล่าคนเล่าก็ยิ่งนึกสนุกจึงเล่าต่ออีกว่าพวกคนเท่าคนแก่ก็ไม่เบาน้อยมาวางแผนจะจับฉันให้เป็นลูกเขยโน้นบ้านฝั่งโน้น ท่านชี้ไปยังบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาวางแผนอย่างไรครับคนถามสนใจก็ทําเป็นนิมนต์ให้ไปเที่ยวบ้านนะซิจะให้ฉันไปจีบลูกสาวไอเราหรือก็รู้ทันว่าถ้าไปถูกจับแต่งงานแน่ก็เลยไม่ยอมไปคนพวกนี้เจ้าเล่์อย่าบอกใครกว่าฉันจะครองตัวมาจนอายุห้าสิบเนี่ย จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายเชียวละไม่งั้นก็ไม่รอดปากเหี่ยวปากากามาได้หรอกและหลวงพ่อคิดว่าจะศึกไหมครับเนี่ยสิทธ์แกล้งถามจะสึกไปทาไมกันเล่าอยู่มาจนป่านนี้แล้วอาจารย์ตอบจริงจังมันไม่แน่นะครับหลวงพ่อเพิ่งจะห้าสิบสมภารจุนตั้ง62ยังคิดจะศึกเลย นั่นมันสมพานจุนแต่สมพานเจริญไม่เป็นอย่างนั้นแน่รับรองได้ถ้าจะสึกก็คงจะสึ ก, สกตั้งแต่นมนมแล้วตอนนมนมเขาว่าหลวงพ่อรูปหล่อมากจนต้องกินยาลดความหลอ่อจริงหรือเปล่าครับนายจอยเขาเป็นคนบอกผม อ, อ่อเจ้าจอยเขาว่างั้นหรือและเธอเชื่อเขาหรือเปล่าล่ะเชื่อหรือเปล่าฮึยังไม่เชื่อเลยทีเดียว ผมอยากทราบข้อเท็จจริงจากปากหลวงพ่อครับเธอจะรู้ไปทำไมฉันมองไม่เห็นประโยชน์สักนิดผมอยากสึกนะครับพระนุมสารภาพเธอจะอยากไปทำไมนะบัวเฮียวถ้าอยากรับรองว่าไม่ได้สึก งั้นผมไม่อยากก็ได้พระโบเฮียวหลงกลท่านพระครูจึงสรุปว่าดีดีฉันขออนุโมทนาการครองเพศบรรพชิตนั้นประเสริฐที่สุดแล้วเธอจะศึกออกไปสร้างเวรสร้างกรรมทาไมกัน ล, ล่ะโทษหลวงพ่อก็คนที่เขาหล่อน้อยกว่าผมยังศึกนี่นาพระนมครวนและที่หล่อมากกว่าเธอที่เขาไม่ศึกละ่ะ อย่างน้อยก็มีชั้นองค์หนึ่งละอาจารย์ยั่วสิธิ์เรื่องของลุงพ่อไม่เช่เรื่องของผมสิทธิ์พูดงอนงอนทำไมเธอถึงอยากศึกนักนหน้าบวยเยวเรื่องของผมไม่เชียวเรื่องของลุงพ่อเห็นสิทธิ์งอนอาจารย์จึงพูดเป็นการเป็นงานบากเชื่อชั้นเธอบวยเยวอย่าหาบ่วงมารัดคอเลย ชีวิตแต่งงานมันจะมีแต่ทุกข์ก็หลวงพ่อไม่เคยแต่งงานแล้วหลวงพ่อจะรู้ได้ยังไงว่ามันทุกข์สิกย้อนก็เธอไม่เฉยชั้นแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าฉันรู้อาจารย์โต้กลับผมยอมแพ้ไม่เถียงกับหลวงพ่อแล้วเถียงไปก็ไร้ประโยชน์พระบัวเหยลอยอมแพ้เอาดื้อ มันไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะหรอกนะโบเฮียวเรามาพูดเรื่องจริงกันดีกว่าขอให้เชื่อชันสักครั้งว่าชีวิตการคลองเรือนนั้นมันทุกข์จริงอยู่ถึงฉันจะยังไม่เคยมีครอบครัวแต่มันก็เฉพาะชาตินี้เท่านั้นชาติที่แล้วฉันมีก็อย่างที่เล่าให้เธอฟังนั่นแหละเธอเดินอยู่บนเส้นทางอันประเสริฐแล้ว จะมาเปลี่ยนซทธไมกันคำพูดของอุปชาทำให้พระบัวเหียวได้คิดจริงสิหมูนี่ท่านครุ่นคิดถึงแต่เรื่องลาสิกขาทั้งที่ตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วว่าจะาครองเพศสมณะไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่เหตุจะาหนจิตใจจึงมาปรนแปร ه, เปลี่ยนแปลงไปได้ถึงตอนนี้ความสงสัยประดังขึ้นมาคราวนี้เป็นความสงสัยในตัวเอง จึงเรียนถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับโมูนี้ไม่รู้เป็นอะไรผมถึงได้คิดแต่เรื่องศึกออกไปมีครอบครัวอยากพบเนื้อคู่อยากแต่งงานเจ้าความรู้สึกอันนี้มันคอยรบกวนผมอยู่เรื่อยมันเป็นเพราะอะไรครับมันก็เป็นไปตามปัจจัยนะสิเธอรู้ไม่ใช่หรือว่าเวลานี้เธอกำลังทำอะไรอยู่ เธอกำลังปฏิบัติกรรมฐานซึ่งถือเป็นการทำความดีขั้นสูงสุดเพราะการฝึกอบรมจิตนั่นนหะมันเป็นยอดของการทำความดีเมื่อทำความดีก็ต้องมีมารผจนมารที่เธอกำลังผจนอยู่ขณะนี้ก็คือนิวรณิวรณ์หมายถึงสิ่งที่มากียดกันขัดขวางไม่ให้เราทาความดีใช่ไหมครับถูกแล้วฉะนั้นเธอก็ต้องมีความเพียร มีจิตใจที่เข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคนี้ให้ได้เพื่อบรรลุความดีสูงสุดอันเป็นจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตการที่เธอคิดแต่จะศึกออกไปแต่งงานก็เพราะอำนาจของกามฉันทนิวรที่มันครอบงำจิตของเธออยู่กามฉันทนิวรก็คือความพอใจในกามความอยากในกามคุณห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส กามคุณห้าเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันชุดรังให้เธอไปฝากไฟอยู่ในฝ่ายอากุศลธรรมส่วนเจ้าความลังเลสงสัยต่างๆนั้นก็เป็นอำนาจของวิจิกิจฉานิวรยังจะมีอีกนะที่เธอจะต้องผจนยังมีพยาบาทนิวรถ น, นมิทธะนิวรและอุทจักกุกุจะนิวร อ, อีกสามตัวนี่ เธอยังเจอแค่สองตัวเท่านั้นและถ้าเธอเอาชนะเจ้าสองตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงอีกสามตัวที่เหลือหลวงพ่อครับทำไมเจ้านิวรมันถึงได้มารบกวนเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรมล่ะครับแล้วเวลาที่เราไม่ปฏิบตัติมันพากันไปอยู่ที่ไหนถามอย่างข้องใจมันก็แนบเนื่องอยู่ในจิตของเรานั่นแหละ เมื่อไรที่เรายังไม่ได้ทำความดีมันก็นอนสบายเฉยอยู่แต่เมื่อเราทำความดีนั่นแหละมันถึงจะลุกขึ้นมาอารวาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่มันออกไปจากจิตให้หมดสิน้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเสมอๆว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดใช่ไหมครับก็คงงั้นมั้งพระโบเฮียรู้สึกจิตใจปลอดโปร่งขึ้นหากก็ยังสงสัยอยู่ อีกนิดหนึ่งจึงเรียนถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับแล้วยาลดความหล่อมีจริงๆหรือเปล่าครับถ้ามีจริงเธอจะทำไมผมจะขอไปกินบ้างครับพระอุปชาได้ยินดังนั้นจึงพิจารณาคนเป็นสิทธิ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็พูดว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งยาลดความหล่อไม่ต้องพึ่งท่หลวงพ่อ มาแบบในจ่ออีกคนหนึ่งละพระโบเฮียวโวยวายและจึงชี้แจงอย่างน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือไหนผมก็ไม่มีโอกาสได้แต่งงานเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำให้มันสุดเละไปเลยจะได้ปรงได้ว่าเพราะตัวเองขี้เรถึงไม่มีผู้หญิงมาแต่งงานด้วยเจ้ากรามฉันทนิวร มันจะได้ล่าทับกลับไปไม่มารบกวนผมอีกไม่ต้องใช้ยาลดความห ล, อล่อไล่มันให้ยุ่งยากรกถ้าเธอมีสติรู้เท่าทันมันตลอดเวลามันกอกครอบงำเธอไม่ได้เราต้องใช้ปัจจัยภายในไม่ใช่ปัจจัยภายนอกท่านพระครูทั้งแนะแนวและแนะนำครับถึงตอนนี้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยครับ ผมจะกลับไปสู้กับมันเดี๋ยวนี้กราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่กรุณาชี้ทางสว่างให้ผมท่านก้มลงกราบอาจารย์สามครั้งแล้วก็ลุกออกไปความอึดอัดขัดข้องก็พลันมาลายหายไปมีความปราบรื้มโปรงใจเข้ามาแทนที่